บอกอย่างนี้เข้าใจอย่างนั้นฉันขอบอกอีกครั้งให้เธอนั้นฟังให้ดีๆ <Hey. S 1> มาได้คิดไม่ความอย่างนั้นที่ฉันบอกว่าฉันไม่มีเวลาไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่ไปหาไม่ได้พูดอย่าง น, นัฉันยังต้องการจะเจอกับเธอ ไม่ใช่อย่างนง้นไม่ใช่อย่างนงนฉันไม่ความนี้ไม่ใช่อย่างนง้นไม่ใช่อย่างนง้นฉันยังไม่แต่เธอบอกว่าฉันทุกคนดีเยังไม่ได้บอกว่าเธอไม่ดีตรงไหนจะให้เปลี่ยบกับเธอจะได้ยังไงไม่ได้พูดตรงนั้นฉันยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนใจ ไม่ใช่ย่างงไม่ใช่อย่างงฉันไม่ควานนี้ไม่ใช่อย่างงไม่ใช่อย่างงฉันยังมีตาเธอไม่ใช่อย่างงไม่ใช่อย่างงฉันไม่ควานนี้ไม่ใช่อย่างงั้นแต่เป็นแบี้ฉันยังมีตาเธอรักเธอไมี ยางคิดเองตัวเองโปรดเข้าใจฉันไม่เข้าใจก็ทํามมันเลยบอกอย่างนี้เข้าใจอย่างงั้นฉันขอบอกอีกครั้งฉันยังรักเธอคุณเดียวเล่านันไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างงั้นฉันไม่ความนี้ไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างงั้น ไม่ช่แนั้นแต่เป็นอย่างนี้ฉันยังมีแต่เธอรักเธอไม่เปลี่ยนรักเธอเียรักเธอเคยเยรักเธอ